มีอโลภาทานมีวัตถุทานมีวัตถุทานมีอโลพาทานฐานวานาานาจินาคิดจะให้อะไรจะให้อมิสทานไหมหรือจะให้อภยทานหรือจะให้ธรรมทานเห็น ไ, ไหมมันเรื่องให้เนะืเรื่องการปฏิบัติธรรมนะืถ้ามิตรทานมีมิมสทานให้อมิตรแต่ก่อนให้นะใจต้องเป็นทานกุศลมันเกิด ตัวเจตนาอย่างเดียวไม่พอต้องมีชันทะกระตุ้นอย่างแรงกล้าก็เป็นประนีตเลยใช่ไหมวุริยะกระตุ้นอย่างแรงกล้าจิตตะจดจ่ออย่างแรงกล้าปัญญามีความเข้าใจกระตุ้นเตือนนมามธรรมนั้นให้เกิดอย่างต่อเนื่องน้อมในการให้ด้วยศรัทธาตั้งมั่นเชื่อกรรมผลของกรมแล้วก็ให้ด้วยความนอบน้อมนอบน้อมในทานที่เราทํานอบน้อมต่อบุคคลที่รับ แล้วก็เป็นการให้แบบเป็นการละทานาเออเนี่ยเหมาะโดยท่านผู้นี้สมมุติว่าเห็นข้อภายในกรณีเหลังไปผ่านตัดมาเนี่ยพอดีเรามีสิ้นสิ่งของสมมุติเงี้ยนะก็ให้เป็นการละทานเหมาะแล้วก็เป็นให้แบบอนุเคราะห์สละขาดแล้วก็ให้ไม่กระทบตนและบุคคลอื่นให้เนืองนิดขณะให้จิตก็เลื่อมสายให้แล้วก็ปลื้มใจเป็นไปกัญญาปัญญาว่า เป็นลาบของเราแล้วเนาเราได้ดีแล้วหนาทานของเราบริสุทธิ์แล้วเราได้บำเพ็ญทานตามมีตามคำสอนของพระเจ้าที่เรียกว่าสัพพุริสสถานเนเอามาไข้ควรได้ตลอดทีไหมนี่เจตนานี่วัตถุทานเจตนาทานไหลาาแล้วถ้าอภัยทานแหละก็ให้ความปลอดภัยไงเอ๊ะจะทำยังไงให้ท่านพุทินี้ปลอดภัยล่ะป้องกันภัยให้ท่านพุนี้ ออท่านผู้นี้จะมีภัยในการที่จะต้องลุกต้องเดินต่างๆอะไรเนี้ย เ, เราทาความป้องกันภัยเดินดีๆนะบอกนนะระวังหกล้มนะป้องกันภัยแล้วเป็นอภัยทานแล้วถ้าให้ธรรมทานก็คือให้ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องถามว่าจริงๆแล้วชีวิตมันคือการปฏิบัติธรรมนะถ้าเข้าใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะ เห็นไหมจิตที่คิดอย่างให้ที่เป็นไปกัญญาเป็นปัญญาที่เป็นใบความเข้าใจเนี่ยมันจะเป็นความผาสุกที่เป็นไปกับกุศลใช่ไจิตมันจะปลอดโปร่งมันจะเป็นอิสระนี่แปลว่าเข้าใจคำสอนของพุทธเจ้าแล้วนี่เป็นอย่างนี้หรือจะพัฒนาสุสี์กุศลเน่ฟืดได้เลยให้ความให้บาะว่าชีวิตของท่านผู้นี้มาจากกุศ ล, ลกรรมเราจากไม่ตัดรอน รูปประชีวิตและนามาชีวิตให้ขาดไปด้วยการกระทําด้วยคำพูดและแม้ความคิดขอให้ชีวิตของท่านวันนี้อยู่ยืนยาวและมีความสุขเห็นไหมเนี่ยนอกจากให้ปุ๊บแล้วเนี่ยจากยมไก่และกระทบไปหมดเลยที่เราคิดถึงบุคคลใดแล้วให้ชีวิตของคนทุกคนในโลกใบนี้ด้วยถามว่าคุณโศีสินกว้างใหญ่ไพศาลไหม แล้วคิดดูที่การให้ยังงั้นผู้ให้ชีวิตก็มีส่วนอย่างการได้มาซึ่งชีวิตยืนยาวเนอะให้ความสุขก็ได้ได้ได้ส่วนอย่างความสุขเนอะลองลองคิดดูทีเราให้ทุกชีวิตแล้วไปกระทบใครบ้างอะและแต่ละคนมีคุณธรรมต่างกันหมดเนอะถ้าดูผลจะย้อนจะตอบกลับมาดูทีเพราะเราไม่คิดอย่างนี้หรือเปล่ากูสถึงไม่ค่อยหนานแน่นในกระแสชีวิตเราเนี่ยเห็นไหมคือการให้ คือการให้ชีวิตเป็นฐานให้ความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ยังทรัพย์สินของยอมไก่ก็จะเป็นของยอมไกเนี่ยเราจะไม่คิดลักเราจะไม่พูดเพื่อจะต้องการหรือเราจะไม่กระทาใดๆเพื่อต้องการไม่ใช่แค่หนึ่งนี้เท่านั้นจะกระจายทุกชีวิตเราก็จะปราถนาให้เขาอยู่กับทรัพย์สมบัติของเขาจนมีความสุขกับทรัพย์สมบัติของเขาเ อันนี้เป็นศีลข้อที่2เดินนะข้อที่ ส, นนะสก็คือว่าเออมีคู่ครองก็จงอยู่กับคู่ครองได้มีความสุขเราจะไม่พลาดเราจะไม่พลาดคู่ครองแล้วพอเห็นอั น, นิี้สองกองพากข้าเระพลาดคู่ครองเราเห็นโทษไงชีวิตต้องการแตกแยกชีวิตต้องมีปัญหาหรือต้องต้องพัดพลาดเนี่ยมันเจ็บปวดนี่ฉะนั้นเราจะให้ความความเป็นผู้มีคู่ครองสมบูรณ์แบบ เห็นหมสินข้อสา ม, มันเดินอย่างนี้แล้วทุกคนเราก็ให้อย่างนี้หมดแล้วก็ให้คําสัตว์คําจริงไม่กล่าวเท็จเพราะคนที่กล่าวเท็จทั้งหลายบริษัทบริวารแตกแยกคนไม่เชื่อถืออีกเยอะและวทั้งให้ผลในปฏิสิทธิการก็เกิดเป็นอบายศาตร์เนี่ยเราเห็นคุณเห็นโทษให้ความสมัครสมานสามคัคคีให้คําอ่อนหวานแล้วก็ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์อิงอัดอิงทำอิงหลักฐานเงนี้ยคำพูดนึง ให้ความไม่โลภความไม่โกรธแล้วก็ให้ความเห็นที่ถูกว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นทรัพย์สมบัติของตนถามบอกว่าเมื่อเจริญได้อย่างนี้นจริงๆครักุศลศีลมันเดินไหมอย่างนี้คือการปฏิบัติไหมนี่ไงคุณธรรมมันเกิดแล้วมันเกิดขึ้นมาได้จริงๆนง น, นี่นี่คือการปฏิบัติธรรมมันเกิดแล้วนะนี่หในชีวิตจริงเลยนะการคิดในรักงเงเมื่อกุศลศีลแข็งแรงและตั้งมั่นอย่างนี้ต่างหาก จึงจะเป็นฐานถึงจะเป็นฐานของสมาธิและปัญญาใช่ไหมแต่การเดินศีลอย่างนี้แปลว่าเรายังได้แค่ชั้นของชั้นของทรัพย์บนดินเนี่ยซับบนดินน่ะคือการได้ความบริสุทธิ์แห่งศีลแล้วก็ได้ความรู้ความเข้าใจในคําสอน น, นี่คือทรัพย์บนดินที่พ่อฝากไว้แต่ถ้าจะขุดทรัพย์ใต้ดินเนี่ยต้องเอามาเจริญเอามาละลึก เอาตัวทานในกุศลสีกุศลเป็นต้นมาระลึกให้เป็นจาคานุสติหรือศีลานุสติหรือพุท ธ, ธานุสติลึกถึงคุณของพระเจ้าต้องมาระลึกจนจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นจากระลึกเมื่อไหร่ก็ชำนานก็ตั้งมั่นได้ทันทีเลยเมื่อละลึกแบบตั้งมั่นไปนเสร็จจะระลึกตั้งมั่นเป็น10นาที20นาทีสามนาทีเป็นชั่วโมงก็ระลึกตั้งมั่นจิตก็เ อ, อิบอิ่มปราโมดพิติปัสสติความสุขสมาธิก็ตั้งได้ด้วย เเดินได้อย่างต่อเนื่องและสามารถเอาฐานของสมาธิมาเป็นฐานของการอบรมปัญญาได้ด้วยเนีอันนี้แปลว่าพัฒนาแล้วยากไหมท้าแบบนี้แต่เราไม่ค่อยคิดแค่นั้นเองใช่ไหมต้องฝึกนววิธีคิดเนี่ยคิดจากหนึ่งบุคคลเนี่ยจากนึ่งบุคคลไปก่อนแล้วก็ค่อยฝึกให้ฝึกนะฝึกให้ เห็นไหมจริงจริงการเจริญกุศลเขาจเจริญแบบนี้ใหม่ๆนั่นเป็นสัญญานะให้สังเกตดทูทีที่จเจริญออกไปใหม่ๆเนี่ยเป็นสัญญาเป็นความจำว่าต้องทำอย่างนี้ทาอย่างนี้จิตไม่ได้ส่งออกไปจริงๆนะบางทีมันจะเป็นการเจริญแบบแค่นๆเพราะเราเราจะได้รู้จากตัวเองว่าเราเนี่ยเป็นคนไร้เมตานะจริงๆนะมีเมตตาไม่ค่อยบริบูรณ์หรอก เรานึกถึงใครเคยเมตตาไปกับกับความคิดทุกครั้งไหมจริงๆไปไหมแวบถึงใครเมตตามีความลากปร่าถนาดีเอื้อทอดมันก็ไปทุกครั้งเลยเนี่ยเคยเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่โดยข้อเท็จจริงไม่เป็นหรอกไม่อย่างเช่นว่าเราวันหนึ่งเราคิดถึงคนเป็นร้อยเป็นพันนะแต่ถามจริงมันไปจริงๆมไอ้ เ, อเมตตาจิตที่เมตตาโดยมากมันทื่อๆนะ มันไม่ค่อยไปหรอกหรือกรณีอย่างการที่เราจะเราจะระลึกถึงคุณของพุทธเจ้าเนี่ยถ้าถ้าพระนี่น่าจะมีมุมคิดได้มากกว่าจริงนะอย่างพระเนี่ยเขียนอะไรเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยดูแลตนเองอยู่เห็นพระพุทธเจ้าดูแลตนเองอยู่ นั้นอามิตรที่ว่าที่บอกว่าศิลป์เนี่ยพึงป้องกันศิลป์ในสถานนะที่บอกว่าให้ศิลปะวิทยาแล้วจะไปทางทิศไหนก็ไม่อดอยากก็ไม่ลําบากฉะนั้นเมื่อรู้คําสอนของพระเจ้าปฏิบัติตามคําสอนพระเจ้าเนี่ยเนี่ยเมื่อกําลังปฏิบัติตามคําสอนพระเจ้าเนี่ยชื่อว่าท่านผู้นั้นเนี่ยพระพุทธเจ้ากําลังดูแลท่านผู้นั้นอยู่ พระเจ้าจะคอยดูแลทั้งด้านจิตใจทางด้านจิตใจของท่านบูนนั้นไม่ให้จิตใจนั้นน่ยต้องไปกำหนัดขัดเคืองหรือรุ่มหลงใช่ไว้ตอนนั้นน่ะนนพระเจ้าดูแลใจท่านบูนนั้นอยนู่นีทีนี้ในขณะที่จิตใจกําลังไม่กำหนัดไม่ขัดเคืองไม่รุ่มหลงเป็นไปกับความเข้าใจในคําสอนแล้วก็ปฏิบัติตามคําสอนอย่างถูกต้องเนี่ยพระเจ้าก็ดูแลด้วยอมิตรต้อนรับด้วยอามิตรสิ่งของทั้งหลายเนี่ยถามว่า ถ้าพระเข้าใจว่าโ ย, ยมเอาของมัวถวายแล้วนั้นคือพระเจ้าดูแลตนเองได้เมื่อไหร่นั่นแปลว่าพระนั้ น, นท่านได้เข้าใจแล้วว่าพระเจ้าไม่ทิ้งท่านในอมิแต่พระเจ้าบอกว่าอันนี้อย่าจมกับปัจยนะปจยามิตรนะปัจจญามิตรเนี่ยเป็นของไม่สะอาดเป็นของที่พระตราคตคายทิ้งแล้วคือก็คายทิ้งแล้วท่านเขียนว่าในอนาคตเนี่ย อุบาสกภิกษุอุบาสกบาสิกาซึ่งเป็นข้าราชการของท่านน่ยจะอ่อนแอนทั้งกําลังกายและกําลังของญาณนะคือปัญญาก็จะพากันจมอยู่กับอามิ m i ี่แหละที่เกิดขึ้นเพราะเดชบุญของพระพุทธเจ้าหนึ่งจะพากันจมเราได้ฐานะความเป็นมนุษย์มาเพราะเราจเจริญกุศลกุศลนั้นท่านที่บอกเราจริงๆในสังสารวัฏคือพุทธเจ้านั่นแหละ ฉะนั้นสิ่งที่เราได้มานั้นเราจะพูดกันอีกมุมหนึ่งเลยกลายเป็นว่าเป็นอามิตรเองใช่ไหมเพราะเราได้ได้เป็นมนุษย์เราก็ได้สมบัติจากความเป็นมนุษย์ตามสถานะของฐา น, นกุศลศีลกุศลแต่ละบุคคลและเรายิ่งมาเพียรปัจจุบันที่ประกอบกุศลกรรมกรรมมันมี2ส่วนนะกรรมอดีตกรรมกับปัจจุบันกรรมอดีตกรรมก็ทําให้ได้เป็นมนุษย์แล้วก็มีบริวารสมบัติมีทรัพย์สมบัติแต่ถ้าหากว่าปบจิวารกรรมไม่ดีมันผ่านเกลี้ยงเลยเนะ ทั้งบริวารสมบัติและทรัพย์สมบัติเนี่ยแต่เถอะอาศัยประโยคะที่ถูกต้องความเพียรที่ถูกต้องญาณนะในปัจจุบันที่ถูกต้องมันก็สามารถรักษาทรัพย์เพิ่มภูมิทรัพย์นั้นได้แต่ถ้าเอาทรัพย์เหล่านั้นเอาฐานะเหล่านั้นมาเจริญกุศลต่อก็แปลว่ามันเริ่มทํากุศลกรรมใหม่อีกอย่างเงี้ยนอะอันนี้ก็มันเป็นอย่างนี้เรียกอดีตกรรมกับปัจจุบันกรรมต้องชัดเจนนะตรงเนี้ยตรงเนี้ยถ้ารายละเอียดจริงๆเนะี่ยมันต้องมาหกกันในเรื่องตรงนี้ให้มันชัดลงไปเลยจะได้เข้าใจใช่้วว่าจริงๆแลเนี่ย แต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราได้มาเนี่ยได้มาเพราะมีเพราะเรารู้เรื่องกรรมและผลของกรรมคนที่สอนกรรมและผลของกรรมนั้นคือพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละแต่บางครั้งเนี่ยสัตว์โลกทั้งหลายก็ไปนับถือศาสนาอื่นทั้งๆ ท, ท, ที่เคยรู้คําสอนมาจากพระพุทธเจ้าแต่ก็แปลเปลี่ยนไปได้วยความที่ไม่สมาทานในคุมคาสอนพระเจ้าให้มันคงเข้าใจไหมสมมุติยอมนต์เนี่ยชาตินี้มานับถือพระพุทธเจ้า ก็เจริญกุศลใช่ไหมก็ไปเกิดเป็นมนุษย์อีกสมมติเนี่ยนะไปมีทรัพย์มีอะไรบริบูรณ์ลืมเนื้อลืมตัวทั้งๆที่สมบัติที่ได้มานั้นอะสืบเชื้อสายมาคือพุทธเจ้าให้ให้ทั้งธรรมะให้ทั้งทรัพย์ภายนอกให้ธรรมะคือให้เจตนาที่เป็นกุศลให้เจตนาที่เป็นกุศลศีลใช่ไหมเจตนาที่เป็นทานในกุศลทําให้ได้ทรัพย์ใช่ไหมทรัพย์สมบัติบริวารสมบัติทั้งหลายเจตนาที่เป็นกุศลศีลก็ในญาติเดียวกัน ทำให้ลูกงามมีทรัพย์มากบริวารมากเลยก็ว่าไปเถอะทีนี้พอได้ไปเบดเสร็จแล้วเนี่ยพอเลยการไปแล้วลืมตัวเพราะมันผ่านพบชาติทั้งๆ ท, ที่สมบัติที่ได้มานะท่านที่ให้เราจริงๆคือพระเจ้าเป็นคนบอกข้อมูลแล้วเหมือนคนบอกบอกให้เราไปขุดทรัพย์เนี่ยอ่าบอกขุมทรัพย์ของเราฝังอยู่ตรงเนี้ยเธอไปขุดเอานะเราไปขุดเบดเสร็จพอต่อมาเรารวยแล้วลืมตัวพอได้ดีแล้วลืมตัวเนี่ยแหละ เราเป็นสัตว์ประเภทลืมตัวเราไม่เคยคิดถึงพระเจ้ากันนะเพราเปลี่ยนพบมาอะไรแล้วเนี่ยเราไม่เคยคิดถึงพระเจา้าก็ไปนับถือศาสนาอื่นเข้าใจอย่างแต่เนี้ยก็ยังพอมีอัธยาศัยบ้างแต่ถ้ามันยังไม่มั่นคงก็ยังพออย่างเงี้ยสลับสลับอยู่เงี้ยฉะนั้นใครจะนับถือศาสนาไหนก็แล้วแต่หลักจริงๆแล้วไปจากพระรพุทธเจ้าเพราะไม่มีใครสอนเรื่องกรรมและผลของกรรมในโลกแบบเนี้ย เขาสอนก็นไม่ถูกหรอกเพราะการจะไปฉลาดในกรรมและผลของกรรมเนี่ยมันเรื่องของสัพพยุทธิยานถึงจะรู้เรื่องกรรมและผลของกรรมไม่ชิดใช่เรื่องของยา น, นธรรมดาเลยนอกนั้นก็ผิดหมดเลยแต่พวกเฮ้ยสัตว์โลกทั้งหลายก็ไปนับถือเปเรตนับถือทเทวดานับถือพรหมนับถืออะไรก็ว่ากันเปแถวเป็นแนวไปอันนี้แปล ว, ว่ามันช่วงว่างช่วงห่างมันเยอะขึ้นมันก็ไปกันเป็นแถวเป็นแนวไแล้วแต่เราจะไปเกิดตรงไหนพบไหนไง แต่ที่สุดจริงๆน่มันมาจากคำสอนของพระพุทธเจ้าในยมวินานะเป็นอย่างนี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นบุคคลที่เป็นทั้งหมดของชีวิตนึ้องสัตว์โลกแต่สัตว์โลกก็ลืมพระพุทธเจ้ากันเหไหมนัเกเข้าก็จะลืมไปลืมไปพอครบ 2,000 ปีไปเรสร็จศาสนาของพระเชษฐเจ้าก็จะอุบหายไปยแต่เนี้ยรัิ ปรนาัสปะมคคารโคสาละอชิตาเก ส, สกามพลสัญชยัยเวพรพบุตรปะกุทธากจั ย, ยนะแล้วก็นิคนนาถบุตรใช่ไหมก็มาเป็นแถวเลยแล้ก็จะปโปรยเนะนี่ยหนามโปรยมิจฉาทิฏฐิเต็มพื้นโลกเลยสัตว์ทั้งหลายมาเกิดก็ไปเสพคุณบุคคลเหล่านี้ก็แปลเปลี่ยนปเพราะความไม่มั่นคงเพราะไม่ได้เป็นภ่ายญาณ น, นั่นแหละก็กเนี่ยมันก็เต็มโลกใบนี้อยู่แล้ว แต่อย่าลืมนะว่าสถานะที่เขาได้ดิบได้ดีนั้นมาจากอะไรนั้นมาจากกุศลและกรรมมากุศลละกรรมมาจากกุศลกรรมเมื่อกุศลกรรมจึงให้ผลเป็นมนุษย์และเทวดาใช่ไหมสี่5กุศลกรรมบท10นั้นพระศ า, าสดาสอนไว้ก็ทำให้เป็นมนุษย์อุโบสถศีลเป็นต้นเงนี้ยกุศลกรรมบท10บทำให้เป็นเทวดาสมาบัติทั้งหลายทาให้เป็นพรหมนี้เป็นต้น แต่ถ้าหากทิฏฐิผิดพลาดขึ้นมาก็แปรเปลี่ยนไปนับถือบุคคลอื่นก็เยอะเต็มไปหมดสังสารวัตรมันจึงหาเบื้องต้นแล้วที่สุดไม่พบด้วยอาการอย่างเนี้ยพระเจ้าก็ท่านส่งไม้ผัดต่อกันเลยนะคนสัตว์หรือสัตว์แต่นั้นๆจะมีคนใจแบบนี้ที่จะกล้าเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งใช้เวลานานมากอลยเส ม, มิเราตั้งวันนี้แล้วเามื่อไหร่จะได้โอ้โห แค่คิดหลายคนก็ไม่กล้าตั้งที่จะคิดเปิ้จะเป็นพระเจ้าเนอะนี่เป็นอย่างนี้พระรหันทั้งหลายท่านยังไม่กล้าเลยอ่ะเพราะเป็นพระเจ้าเห็นไหมว่าอยู่ในสุดทาวาสพรมเนี่ย